ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องพระสารีบุตรเทระในข้อต่อไปพระาศาสดาทรงประรบพรามผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเทระ เป็นผู้ปรารถนาภุมิโลกได้บริจาคทานแก่นิครนทุกๆเดือนพระสาริบุตรเ ท, ทรา จ, จึงแนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระศาสดาพถามนั้นก็กระทำตามคือการบูชาในสมัยโบราณเนี่ย ก็แน่นอนก็ทำตามความชื่อถือของแบ่ละท่านนิโคนนั้นเป็นนักบวชเปลือยเรียกว่านิโครดบ้างเรียกว่าเจลกบ้างเรียกว่าเดรธีบ้างก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสเวตตามพรคือนุ่งขาวห่มขาวในนี้ก็ดูเรียบร้อยดี แต่วัาเกิดขึ้นในช่วงหลังคือหลังจากท่านนิโครดนาถบุตรซึ่งเป็นศาสดาได้เข้านิระวา์ไปแล้วแต่ว่าที่ดั้งเดิมจริงๆก็คือเป็นที่คำพรคือนุ่งลมหงฟ้าก็ได้แก่ไม่นุ่งอะไรนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญตบะอย่างจอดเยี่ยม ที่การที่พราหมณ์เกิดไปศรัทธาในลทัทธินิครนก็เป็นความสมัครใจของท่านแต่พระสารีบุตรแต่องท่านก็มีความกรุณาต่อลุงซึ่งไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นว่าจะทำอะไรก็ตามมันควรจะมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะว่าผลที่ท่านต้องการก็คือต้องการบังเกิดในพรหมโลก แต่ทางความคงนึกออกนะว่าทางแห่งพรหมโลกนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการให้ทานแต่มันเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญเพียรทางจิตก็เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องได้บรรลุปฐมฌานขึ้นไปแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกลดหลั่นกันขึ้นไป บัเกิดเป็นอรูปประพรมก็ต้องบรรลุอรูปฌานโดยกำลังของฌานแต่ละชาญเนี่ยจะทำให้จิตท่านพัฒนาประนีขึ้นข้อถึงจุดหนึ่งก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในพรหมรโลกก็เรียกว่าตามภูมิของฌานที่ท่านได้บรรลุ แต่ทีนี้ความต้องการของพรามเนยเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามัรควิธีคือการปฏิบัติเพื่อดำเนินไปสู่พรหมโลกเนียเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆว่าสถานที่ที่เราต้องไปทางขวาแต่ว่าไปเดินไปทางซ้ายเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถึงหรอกอันนี้เป็นเรื่องจิตคิดอนุเคราะห์ ของพระสารีบุตรหรือปรารถนาที่จะสงเคราะห์ลุงจึงก็ไปลงประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้บุญนะฮะไม่ได้เสดว่าไม่ได้บุญเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทางหรือการให้ทานจะให้ อ, อะไรกับใครอย่างไรก็ตามมันก็เป็นบุญอยู่นั่นแหละบุญมากหรือบุญน้อยก็ตาม ให้แกสัตว์ติระฉานก็เป็นบุญสัตว์มันอยู่ในแอ่งน้ำน้ำกำลังจะหมดคนก็เกิดสงสารก็น้ำไปเทใส่ให้แล้วก็เป็นบุญให้แกโจรก็เป็นบุญนะฮะเรียกว่าให้แกคนทุศีนก็เป็นบุญให้แกคนที่มีศีนก็เป็นบุญก็เรื่อยไปเรื่อย แต่่าสุดยอดของถานนั้นอยู่ที่การถวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ก็เรียกอุปโตสงฆ์คือสงฆ์สองฝ่ายก็เป็นบุญที่สูงสุดในทักกินาปิพังกสุเนี่ยแสดงว่าสูงสุด แต่ถ้ามองถึงเจตนาของพรามจริงๆที่แกต้องการไ ป, ปรุมาโลกมันก็ไม่จะทางอีกแล้วแหละพราะพวกนี้มันเป็นทางสวรรค์ไม่จะทางพุมาโลกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพพันหนึ่งในเดือนในแต่ละเดือนนะครับสิ้นร้อยปีก็หมายความว่าเราเอา ปีหนึ่วันมาตั้งแล้วร้อยมาคูณมันก็จะเห็นว่าจำนวนมหาศาลมากเงินที่บริจาคไปถ้ามีคนสามารถทำได้ไหมคนที่เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีพระราชานั้นยังไงตั้งก็ทำได้แหละแต่ว่าสิ่งที่บริจาคจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็ตามกำลับบงทรัพย์ของท่านตามกำลับบงศรัทธาของท่านเลขรับสั่งว่าส่วนเขาบูชาท่านที่มีตนอันอบรมแล้วผู้เดียวแม้ครู่เดียวมาเทียบเคียงกันนะครับบางคนที่อบรมตนหมายตึงคนที่ฝึกตัวเองพอมาถึงประเด็นนี้มันก็ไปเข้าประเด็นที่ นึกออกมาสังกคุณบทสุดท้ายที่ว่าอนุตรังบุญญเข ต, ตังโลกัสสานพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าแต่ก็ต้องหมายถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามหลักของสังกคคุณสีข้อแรก ไอ้ความสี่ข้อแรกเนี่ยมันไปเสริมสร้างคุณสมบัติของพระสงฆ์ในการทำทานโดยเฉพาะฐานวัตถุนะฮะคือบริจาคสิ่งของมันก็เปรียบเหมือนกับการปลูกพืชลงในดินคือหนึ่งคือชนิดของพืชเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สองชนิดของดินสภาพแวดล้อมปุ๋ยอะไรต่อะไรต่างๆ แล้วก็สามการบำรุงรักษาคือถ้าหากว่าดินมันดีแต่ว่าพืชชนิดไม่ดีมันก็อาจจะงอกนั่นแหละแต่ว่ามีผลไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยหรือว่าพืช ด, ดีแต่ดินไม่ดีมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกแนละทีนี้ถ้าไม่ดีทั้งสองฝ่ายยิ่งไปกันใหญ่เลย เพื่อทีจะให้พืชบังเกิดผลดีจริงๆต้องเป็นพืชชนิดดีแล้วก็ปลูกลงในดินชนิดดีที่มีสภาพไปล้อมมีปุ๋ยอะไรดีแล้วคนปลูกก็ดูแล้วใจใสธนุบำรุงไปเรื่อยๆพืชเหล่านั้นก็จะเริ่มเติบโตได้แต่ที น, นี้การการที่ดินมันดีเนี่ย คือแสดงคุณภาพของดินนี่มันดีมันก็ต้องมีการพัฒนามีการอนุรักษ์ดินมีการพัฒนาดินเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมกัการที่จะปลูกพืชชนิดนั้นๆซึ่งเวลานี้เราก็มีกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมเยอะไปหมดก็ทำให้ผิดผลทางการเกษตร เพิ่มราคาขึ้นเยอะเพิ่มค่าขึ้นเยอะแล้วต่อไปก็จะก้าวหน้าไปอีกเยอะนะฮะว่ามันจะไปถึงยังไงก็ไม่รู้แหละทีนี้ในกรณีที่บูชาในลักษณะ น, น, นั้นเนี่ยคือให้ทานแก่นิคโครนหรือปราบการให้ทานแก่นิคโครนนิคโครนนั้นเราเอาอะไรเป็นมาตรฐานแล้วเอาศีลเป็นมาตรฐาน ท่านก็มีความงมงายมีความหลงอยู่เยอะแล้วก็มีความขัดแย้งกันเองในความคิดของท่านเช่นว่าท่านถือว่าสารรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีปราณคือมีลมหายใจเขามีชีวิตวพูดง่ายกมีชีวิตเพราะเวลาท่านเดินไปไหนท่านจะต้องมีไม้กวาดเดินกวาดไปข้างหน้า ตรงใดที่ท่านยังไม่กว้าท่านไม่กล้าเหยียบกลัวจะไปถูกสิ่มีชีวิตตายแล้วท่านจะดื่มน้ําร้อนไม่ดื่มน้ำเย็นดื่มเฉพาะน้ําร้อนเท่านั้นเพราะกลัวว่าถ้าดื่มน้ําเย็นกลัวสัตว์ที่มีชีวิตจะตายเราใจร้อนก็ขัดแย้งกัน คือหมายความมาน้ําร้อนนะไข่ต้มนะท่านก็ต้องต้มเองเมื่อต้มเองถ้าสัตว์มันมีอยู่ในน้ํามันก็ตายหมดแล้วเพราะถูกความร้อนทีนี้ในกรณีของกวาดพื้นพื้นที่ที่กวาดเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างแต่พื้นที่ที่เหยียบเนี่ยมันมีพื้นที่แคบ เท่าที่เท้าจะเหยียบลงไปได้ทีนี้ตีต่างว่าบนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตจริงแล้วก็แสดงว่าตอนท่านกวาดมันก็ตายไปเรียบแล้วพอตอนท่านเหยียบมันก็มีแต่สิ่งที่ตายแล้วคือสัตว์ที่ตายแล้วท่านนั้นเองแล้วก็ไปไหนนี่ท่านจะมีผ้าอุดปากอุดชุ ม, มู กลวว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเข้าไปทางปากทางจมูกแล้วจะตายก็เป็นการเป็นความเข้าใจที่แปลกแปลกเรื่อยไปจนถึงโน่นจนถึงนิรวานิควาหมายก็ท่านก็หมายถึงนิพพานเหมือนกันแต่ว่าวิธีนิพพานของท่านก็แบบสบายๆก็คือไปนั่งอดอาหาร จนตายไปแล้วก็ถือว่านิรวัติอากาศหนาวจัดท่านก็อยู่ท่อมกลางหนาวจัดอากาศร้อนจัดท่านก็อยู่ท่อมกลางร้อนจัดหมายความมาทํากายให้กระสรับกระส่ายเมื่อกายกระสรับกระส่ายใจก็ไม่สงบประกอบกายกับใจนั่นเองอาศัยซึ่งกันและกันเพราะในความการปฏิบัติที่ขัดแย้งกันในศาสนาเชนเนี่ยมันมีเยอะในนิครุนเนี่ย แต่ถ้าเชื่อขอท่านอย่างนั้นนะเราเราเห็นอย่างหนึ่งก็คืออาการของโมหะนี่ไม่ลดอาการของโลภะนี่อาจจะลดบ้างนะฮะอาการของโทสะนี่ยอาจจะลดได้แต่โมหะยังมีเยอะเหลือเกินแต่ทีนี้ท่านที่ฝึกปฏิบัติตนมาดีก็เกณฑ์มาฐานก็คือ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั่นเองมันเหมือนกับพื้นดินชนิดดีแล้วพืชที่ปลูกลงไปก็เป็นพืชชนิดดีพืชเหล่านั้นก็จะเริญเติบโตบนพื้นดินที่มีคุณภาพสูง เพราะในการให้ทานเนี่ยท่านจึงมององค์ประกอบมันเยอะองค์ประกอบทั่วๆไปการแรกก็คือตัวผู้รับทานจะต้องเป็นคนสะอาดกายสะอาดว่าจ่าสะอาดใจกายสะอาดว่าจ่าสะอาดใจสะอาดเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ถ้าให้เต็มที่แล้วก็ กายสะอาดว่าจะส ะ, สะอาดใจสงบใจสวา่างหมายความว่าจะต้องอยู่ในคันลองของศีลสมาธิปัญญาแล้วเกิดผลจากการปฏิบัติตำหลักของศีลสมาธิปัญญาทีนี้สิ่งที่เรานํามาบริจาคจะต้องเป็นของที่ได้มาในทางที่ชอบทำ ไม่ทำผิดไม่ทำทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เจตนาที่เป็นเหตุให้เราให้ทานเนี่ยเป็นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลมีความศรัทธาเลื่อมใสหนักแน่นมั่นคงในทานผู้นั้นตั้งก่อนให้ ทั้งขณะให้แล้วก็หลังจากให้ที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องศรัทธามากในผู้รับผู้รับเนี่ยเราต้องรู้สึกศรัทธาแล้วท่านเองก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้ตาจะให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งกว่านั้น ท่านที่รับทานเนี่ยต้องเป็นพร ะ, ะบุคคลระดับพระอนาคามีพระอระหันต์คือข้าวนี้รธสมาบัติได้และท่านออกจากในรธสมาบัติและเราถวายท่านเป็นคนแรกเผลเงื่อนไขมันจะเยอะมากแต่จังหวะอย่างนี้มันในสมัยพุทธกาลเท่าที่พบก็มีห้าหกท่าน ที่ได้รับผลเวลารวดเร็วฉั บ, บวัวทันการหลังจะกตนให้ทานไปแล้วในวันนั้นเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะจากคนจนเป็นเศรษฐีไปเลยซึ่งก็ถือว่าแปลกนะคือคนที่ให้ทานได้ในลักษณะนี้กล้ายเป็นคนยากจนทุกคนนี่เป็นคนยากจน จุเลกษะโดกก็เป็นคนยากจนสุโมนมาลาการก็เป็นคนยากจนอุณทธาตก็เป็นคนยากจนธิดาของชาวบ้านที่อุเชนีก็เป็นคนยากจนแต่ละคนนั้นก็เป็นคนยากจนแต่ว่าเมื่อให้ทานด้วยจิตที่เรื่มใสพลังแห่งบุญมันก็มาก แต่ก็อีกแหละถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นเหตุแห่งพรหมโลกมันก็เป็นเหตุแห่งสวรรค์คือเป็นเหตุอะไบังเกิดในสวรรค์ถ้าอยู่ระดับนี้นะฮะแต่อยู่ระดับนี้มันก็ไปได้เพียงสวรรค์เท่านั้นก็แสดงว่าพราหมณ์ก็เข้าใจผิดที น, นี้เมื่อเอามาเทียบกันเอาอย่างนี้แหละมาเทียบกันไม่ได้พูดถึงพรหมโลกไม่พรหมโลกแล้วทีนี้เอามาเทียบกัน ว่าแนวของท่านเนี่ยแนวของพระมันเป็นการปลูกพืชชนิดยังไงก็ไม่แน่เพราะเขาไม่ให้รายละเอียดไว้แต่ว่าลงในที่ดินที่คุณภาพตา่ำผลผิดผลมันก็ต้องต่ำเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่การให้ทานแก่ท่านที่อบรมตนแล้วคนเดียว ไม่ใช่เป็นพันนะฮะคนเดียวแล้วแม้ครู่เดียวขณะเดียวขนาดนับเป็นนาทีกันเลยนะไม่นับเป็นชั่วโมงไม่นับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอันนี้รอยปีเลยเทียบกันอย่างงี้ท่านก็ได้รับผลบุญผล น, นั้นทสูงมากกว่าตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง แล้ทร่งแสดงยมกปฏิหารท้ำกลางถวยเทพทั้งหลายมีพระนางมายาเทวีจึงในขณะนั้นเป็นเทพประบุนะฮะบังเกิดที่สวั์ชันทุสิตก็เป็นประธานในการขวังเทศมีเทพประบุต น, นึ่งตอนพระพุทธเจ้าประทับตั้งใหม่ๆเนี่ยท่านั่งใกล้ชิดมาก กลชิดพระพุทธเจ้ามากพอดีมีเทวดาอีกตนหนึ่งเตมบุตรอีกตนหนึ่งมาถึงท่านก็ถอยถอยถอยถอยเลยเทวดาที่มีศักดาใหญ่ในมาแล้วท่านก็ถอยถอยถอ ย, ถอยห่างไกลพระพุทธเจ้าไปเป็นโยนเลยก็เมื่อถามเหตุผลปรากฏว่า ท่านให้าท่านให้ทานโดยไม่เลือกผู้รับทานแล้วก็ไม่เลือกปัจจัยที่จะให้ทานเพราะการให้ที่มีการเลือกให้เนี่ยพระพุทธเจ้าส่งสันเสริญเมื่อท่านไม่ทำทั้งสองอย่างแล้วก็ทำนานนะฮะทำเป็นเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็บริจาคมาก แต่ว่ามีเดชน้อยคือเทวดานี่เขาจะต่างกันที่รูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสแล้วก็อายุวรณะสุขภละแล้วก็อธิบดีคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นี่แตกต่างกันมีเดชมากมีเดชน้อยมีรัสมีมากมีรัสมีน้อย มีบุญมากมีบุญน้อยถึงแม้เทวดาก็มีความแตกต่างกันเรางเทียบการบูชาสองประการนี้ว่าการบูชาของผู้นั้นนั่นแลประเสริฐกว่าการบูชาของคนแรกที่กล่าวไว้การบูชาสิ้นร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่า เพระาะการบูชาของผู้ที่อบรมตรนมาอย่างดีขณะเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วขณะเดียวในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบูชาอยู่ร้อยปีคนเป็นพันคราวแล้วเป็นพันแต่ก็มีผลเมียนนึ่งสูงมากกว่าน้อยกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้แนวมันใกล้ๆ ก, กันเรื่องต่อมาปรากฏว่า ทุกาทรงประรบหลานของพระสารีบุตรเระปรารถนาจะไปพรหมโลกฆ่าสัตว์วันละตัวบูชาเพลิงเสมอพระเทระไม่สอนเองหรอกเพราะเป็นลูกหลานบางทีสอนยากนะฮะคือพระเราเองแม้จะเป็นลูกหลานบางทีเราก็สอนมันยากไกลๆกับพ่อแม่เป็นครูเนี่ยสอนลูกชาวบ้านมาได้ดีเยอะเลยสอนลูกตัวเองไม่ได้เพราะพระสารีบุตรก็ไม่ทอด ตักชวนหลันชายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูดในสงสารพระพุทจารับสั่งว่าก็ชนเหล่าใดพึงบำเรอไฟในป่าสิ้นร้อยปีส่วนเขาบูชาท่านที่มีตนอนอกรมแล้วผู้เดียวแม้ครูเดียวครูหนึ่งการบูชานั้นแลประเสริฐกว่าการบูชาของสัตว์นั้น ตัการบูชาสิ้นร้อยปีจะประเสริฐอะไรแล้วอันนี้ยิ่งเข้าป่าเลยนะเพราะเราจะเห็นว่าปานาธิบาทเนี่ยมันตัวรอนกิเลสไม่ใช่ตัวรอนอายุตัดรอนอายุศีลยังไม่ได้เลยการไปพรหมโลกเนี่ยมันไปด้วยด้วยกำลังฌานอย่างที่ว่าเนี่ยหมายความมาศีลสมบูรณ์แล้วก็สมาธิสมบูรณ์ ก็เป็นเหตุบังเกิดในภพมนุษย์แต่ี้พราหมณ์ลานชายของพระเทราเนี่ยอต่ศีลก็ไม่สม บ, บูรณ์เพราะว่าฆ่าสัตว์โอาสัตว์บบูชายันทุกวันบำเรวไฟนะโดยวิธีการบำเรวไฟคือฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเลือดเอาเนื้อของสัตว์นี่โยนไปในไฟให้ไฟได้กินตรกนี้ยังมีเยอะนะในปัจจุบันอินเดียยังมีอยู่เยอะเลย และที่ในการบูชาไฟเนี่ยเอาเพื่อนมาบูชาไฟอะก็แนวการบูชายันนั่นเองการปฏิบัติในแนวนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดๆเราจะพบว่าจิตจิตนั้จะมีเมตตากรุณาก็ายังไม่มีปุโพรมต้องมีเมตตากรุณานะฮะพวกนี้ยิ่งหันหลังใหใหญ่เลยยิ่งแย่กว่าตอนลุง ลุงนี่ว่าแย่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวหลานนี่แย่กว่าที่นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือข้อความเหมือนกันนะให้ลองสังเกตว่าการบูชาท่านที่อบรมตนมาดีแล้วคนเดียวแล้วก็ครู่เดียวขนาดเดียก็มีผลเมีอนันดสงมากกว่าการบูชาไฟด้วยเอาสัต มาเป็นเครื่องมืออย่างนั้นการบูชาแบบนั้นไม่ได้ประเสริฐอะไรแม้จะทำอยู่สิ้นร้อยปีก็ตามอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ต่อกันเลยพระาศาสดาทรงปราบพระรามเป็นสาายของพระาดีบุตรเท ร, ระราตนารมมโลกเหมือนกัน โดยกระทําการเส้นสวงบูชายันต่างๆภาษาริบุตยึงแนะนำให้ข้าวไปเฝ้าคูณถามพรามนั้นก็กระทําตามโปรงยึงส่งแสดงที่นี่การบูชายันสมัยโบราณเนี่ยที่จริงมันมีหลายวิธี วิธีที่แรงมากอย่างยิ่งยิ่งก็คือปุริสสะเมธะการฆ่าคนบูชายัญบูชายเจ็ดร้อยผู้หญิงเจ็ดร้อยาเจ็ดร้อยาสีเจ็ดร้อยเด็กชายเจ็ดร้อยเด็กสาวเด็กหญิงเจ็ดร้อยะไรแต่โอ้มันหาฤโหธารุธมากๆบาคนมาฆ่าบูชายัญวันทีเรารู้ในวันอคดีคือชาดกนะครับ ราพบถึงการต่อสู้ขัดทางความคิดในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างแรงแล้วบางครั้งก็มีการหักหารที่สูจกันเลยว่าความคิดความเห็นของใครถูกต้องในชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรูหรอกก็เป็นนักปราดเป็นบัณฑิต ก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆก็ไปเจอเหตุการณ์เขาจับผู้หญิงพรหมจารีสาวพรหมจารีโยนลงไปในแม่น้ำเพื่อบูชาเทพเจ้าประจำสมุทรให้ไปรับใช้เทพเจ้าประจำสมุทรต่างคนต่างก็เอาสินบนมาให้พวกพวกพรามได้ทำพิธี ขอรองไม่ส่งลูกสาวคนตัวเองไปเพราะผู้หญิงที่ถูกเลือกเนี่ยเด็กผู้หญิงที่ถูกเลือกเนี่ยก็คือลูกคนจนอะไอ้คนจนเนี่ยแม่มันสาหัสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอะไรก็ตกอยู่ที่บัลลังคนจนนี่แหละแล้วก็ตกลงว่าครอบครัวไม่สามารถจเจ้าเงินมาซื้อได้ พรามก็เลยเลือกเลือกเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกคนยากจนกำลังจะเริ่มพิธีพระโพธิสัตว์ไปถึงสถานที่นั้นนั่นก็สอบถามสอบถามต้งเหตุในการบูชา ย, ยันแล้วปรากฏว่าพรามตอบไม่ได้ ท่านถามว่าคุณรู้ได้อย่างไงว่าเทพเจ้าประจำสมุดชอบผู้หญิงคนนี้แล้วถ้าท่านเกิดไม่ชอบล่ะท่านก็ทวงเอาคนอื่นมาอีกแล้วเราส่งไปให้ท่านไม่ชอบอีกล่ะท่านก็ทวงเกิดดื่นอีกแล้วทีนี้ทํำยังไงลูกชาวบ้านก็ถูกฆ่ากันตายหมดเลย คนทานที่ดีที่สุดเนี่ยคุณคุ้นเคยกับเทพเจ้าประจําสมุดใช่ไหมนับถือไหมท่านรู้จักคุณไหมใดๆๆท่านถามมาก่อนเลยถามมาก่อนกรามก็พลินนะฮะอวดโม้มาพลินเลยรู้จักกับเทพเจ้าประจําสมุดพระโพธิสัตว์ก็ประกาศกับประชุมชนทุกมาประชุมกันอยู่มากในขอมติโหวต ว่าถ้าเพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดเอาอย่างนี้ดีไหมคือเราส่งพรามลงไปก่อนส่งพรามไปถามเทพเจ้าประจำสมุดดูซิว่าจะส่งเด็กผู้หญิงคนนี้ลงมาเนี่ยจะพอใจไหมแล้วค่อยส่งทีหลังที่ประชุมก็เฮเลยก็ตกลงสิเอาสิเอาก็ช่วยกันจับมัด มัดมือมัเท้าก็โยนลงไปในมหาสมุทรก็เรียบร้อยนะฮะปรากฏเราไม่กลับมาไม่กลับมาพระโพธิสัตว์บอกเห็นไหมที่จริงท่านไม่ต้องการผู้หญิงแต่ท่านต้องการพรามณ์ต้องการผู้ชายต้องการพราหมณ์เป็นคนรับใช้ท่านถ้าไม่ต้องการผู้หญิงคนก็เลิกการบูชา ย, ยานได้ว่าหลังถ้าจะบูชาอีกก็ต้องบูชาด้วยพราม พระาเทพเจ้าประจำสมุดท่านชอบผลากทำลายพิธีบูชายันเลยก็แน่นอนแหละคนก็ตายไปคนนั่นเป็นยุคสมัยโบราณแสดงความเชื่อในการบูชายัญเนี่ยมันรุนแรงจนทุงวันเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้บ้านเราก็ยังมีอะไรอยู่เยอะนะคือเราอยู่ในวัดเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรทั้ มาเองแม้แต่ก็สวดอะไรกันไอ้พลาดที่สวดแล้วก็ขลังแล้วก็เต้นกันอะไรแต่ไรหวยหวน้นจำกับผีหลอกอะไรเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้เห็นบางทีก็มีข่าวแว๊บๆสังโทรทัศน์ก็ได้ไ ด, ไ, ดได้ดูหลายปีมาแล้วมีนักศึกษาที่ มาวิทาลัยศรีประทุมหอม้วิทยาหอการค้านะหอการค้าเขาทํางานวิจัยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ถ่ายทําเป็นรูปวิดีโอมาให้ดูเลยก็งงเลยว่าเอ๊ะบ้านเรายังมีความคิดอย่างนี้อยู่ด้วยเลยเนี่ยเวลานี้มันมีรายการร า, กา ร, ก ร, การายการหนึง่งชั่วโลกลี้ลับก็ไปถ่ายทํารายการต่างๆขึ้นมา ก็แน่นอนไม่เป็นความเชื่อส่วนตัวบุคคลเหล่า น, นแต่เราจะเห็นว่าเราก็ไม่ควรจะห่างเหินจากพระรัตนตรัยมากขนาดนั้นอย่างน้อยต้องมีเหตุผลมีสติปัญญาในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็มีความสุจริตใจมีความจริงใจต่อคนอื่น แล้วก็มีเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้ายังไม่อยู่ในเส้นทางสายนีเหมือนก็สายไปสายมายังไงก็เราก็สายไปสายมาข้ อ, อยุติไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือการข้าม้าบูชา ย, ยาัญไอ้นี้ก็เยอะเหมือนกันก็เรียกว่าอัศเมธะ หรือสัตสเมธาอัะเมธ ะ, ะ, มธะหรือสัตสเมธาเอามาชนิดดีเนี่ยมาฆ่าซะเยอะอย่างวิธีปล่อยมาอุปการในเรื่องรามเกียรติเนี่ยมันก็คือนั่งก็พิธีการฆ่ามาพอมาชนะศึกแล้วเนี่ยแทนที่จะเอามาเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณของสัตว์โลกสัตว์ ทีช่วยตัวเนาพิชิตฆ่าศึกได้ก็ป ร, กรากฏว่าออกมาฆ่าตอนที่เคยไปอินเดียคงจะเคยไปที่ท่าทัศน์สัวเมตคือมีการฆ่ามาสิบครั้งนะมาขนาดใหญ่นะฮะเป็นกระบวนการทำศึกสงครามไปตีเมืองต่างๆโดยส่งม้าล่วงหน้าไปก่อน ก้เมืองใด ย, ยอมก็ปล่อยให้ผ่านก็ขอกําลังขอสเสบียงอาหารต่งตางๆไปใช้ในกองทัพเพิ่มขึ้นกองทัพก็ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมืองเล็กเมืองน้อยก็ไม่กล้าต้านทา น, ทานในสุดพวกนี้ก็ยึดบ้านยึดเมืองได้เยอะแยะไปหมดเลยขยายจั ก, กรวรรดิของตัวเองเออกไปกลับมาถึงก็ข่ามา้า แต่บางทีมันมันไม่ถึงกับพิธีอย่างนั้นนรอแต่สรุปว่าในการบูชา ย, ยัญเนี่ยมีการฆ่ามาอยู่รูปแบบหนึ่งเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสัมมาปาสะคือโยนบ่วงลงไปตกในที่ใดแล้วก็สร้างประัมพิธีขึ้นในที่นั้นอาจจะาคนอาจจะาสัตว์นะฮะ สัตว์หลายชนิดหรือชนิดใดชนิดหนึ่มาฆ่ากันเป็นการใหญ่ไวชเปืยะเป็นการฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารดื่มกินกันก็สนุกสนานปูพราม์ก็รวยทุกงานนะี่ยนะฮะปูพราม์เนี่ยก็รวยทุกงานนะ และที่แรงมากก็คือสั ป, ปะเมทะข่าหมดมาความว่าฆ่ากันเยอะมากทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอะไรแต่ออไรต่างๆนี่จะฆ่ามากอย่าลืมมาในพิติกรรมเหล่านี้ทำไมมันอยู่ได้เพราะว่ากลุ่มอิสเซชนคือคนที่เป็นใหญ่ในสังคมพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์ นะส่วนใหญ่ก็สามพวกนี้ก็ได้ประโยชน์ไอ้พวกสูตรพวกจันทานก็กลายเป็นสัตว์ที่ถูกฆ่าผู้ชายอย่างแล้วก็รุนแรงนะฮะสังคมในรุนแรงเหลเือเกินโลกมันก็ก้าวมาเยอะแล้วแต่ว่าความก้าวหน้าในด้านจิตวิญญาณไม่ค่อยไปถึงไหนเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ก้นพราม์คนนี้ก็เหมือนกันปราถนาพรหมโลกแล้วก็กระทำการเส้นสวงบูชาต่างๆบูชายันก็รูปแบบใดบ้างไม่รู้หรืออตั้งห้าไม่รู้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนผู้หวังบุญจะพึงบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เขาบูชาแล้วและเส้นสวงแล้วในโลกทุกปีความบูชาแม้ทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงส่วนที่สี่แห่งการอภิวาสเอาสั้นๆนะเอาสั้นๆเลยว่าการบูชาในแนวเนี้ยก็ปรารถนาบุญ บูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาบูชาแล้วแล้วเคยเส้นสวงแล้วในโลกนี้ทุกปีแต่ไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้บุญนะไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้บุญมันก็ได้บุญอยู่บ้างแหละปฏิเสธร100้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้แต่เมื่อเทียบกันตัวไิเทียบกันมันก็สู้กันแสดงการอภิวาสการอดอ น, น้อมต่อ บ, บุคคลทั้งหลายไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะการอภิวาทการอ่อนน้อมการกราบไหว้การสักการะ บ, บูชาการให้ความเคารพนับถือแก่บุคคลที่ควรแก่การกราบไหวบูชาสักการะเคารพนับถือนั้นจิตใจเราต้องอ่อนอยู่นะจิตใจ อ, อโดโยนก็แสดงว่าไม่กระด้างด้วยอานาจของกิเลสทําให้เราสามารถที่จะ ยกย่องบูชาท่านเหล่านั้นได้จงการกราบใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีที่เขาศรัทธามากเนี่ยเขาจตามากเนี่ยือแทนที่จะกราบปกติธรรมดาก็เรียกว่ากราบเท้าเลยอย่างตาเนียมข้องพรามเนี่ยก็เรียกบาดอาจารย์คือกราบเท้าอาจารย์ กราบเท้าแม่กราบเท้าพ่อไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเอามือไปลูปที่เท้าพ่อเท้าแม่แล้วก็ไปลูปที่หัวตัวเองก่อนเดินทางนั้นก็แสดงความเคารพแต่ความเคารพอย่างสูงอย่างนั้นเขาก็ทําแก่คนที่ควรสักการบูชาจริงจิต ใ, ใจมีความรู้สึกเคารพนับถือศรัทธาไปเชื่อมัน่น เต่เทอทูนอะไรก็ตามแล้วสรุปก็ดีๆทั้งนั้นแหละเป็นความรู้สึกดีๆทั้งนั้นตน้นอาการที่เราเห็นนะก็คือว่าจิตใจมันจะอ่อนโยนเมื่อจิตใจอ่อนโยนเวลาพูดจากับท่านที่เรามีความเคารพนับถือศรัทธาวาจาก็าจะไพเราะอ่ อ, อนหวาน และวกริยาที่แสดงออกมันก็จะอ่อนน้อมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไอส้สุจริตสุจริตกายวาจาใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างในตอนของการอนุโมทนาคาถาของพระเวลามีพิธีกรรมต่างๆ มีตอนหนึ่งที่บอกว่าอภิวาดนสีลิสะนิจังบุธาปัญิโนจตารธรรมวันตริอายุวนโนสุขังพลังแปลว่า จ, จตุรพิทรพรทั้งสี่ประการคืออายุความมีอายุยืนวันนะมีผิวพรรณผ่องใสมีคุณธรรมความดีมีพวกมาก มีความสุขาสุขใจและก็มีกำลังกายกำลังใจย่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีปกติประพฤติตนออน้อมถ่อมตนให้การเคารพกราบไหว้สักการบูชาต่อผู้ที่ควรแก่การสักการบูชาอยู่เดิมิดมันเป็นสริมงคลน่ยให้เราสังเกตว่าเน้นไปที่ความเปลี่ยนแปลงทางจิต คำว่บุญน่ยแปลว่าชำระลาา้างทาให้ชำระล้างอะไรก็ชำระล้างกิเลสเมื่อชำระล้างกิเลสจิตใจก้อนท่านก็บริสุทธิ์ขึ้นการพูดการทําก็บริสุทธิ์การพูดก็บริสุทธิ์ความคิดก็บริสุทธิ์ก็ทําให้เกิดบุญมากจึงทรงแสดงว่า ความบูชาแม้ทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงส่วนที่สี่แห่งการอภิวาสหมายความว่าการของของมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนและถ้านับเทียบเคียงกันเนี่ยหมายความว่าหนึ่งในสามยังไม่ได้เลยหนึ่งในสี่เนี่ยยังไม่ได้เลยในขณะเดียวกันการนพิวาสด้วยใจที่สุดจริญจริงๆนั้นมันได้ทั้งสี่ส่วน แต่การบูชาในแนวของพรามเนี่ยบาปเยอะนะก็ไม่ถึงหนึ่งส่วนในสี่ส่วนตอนนี้ยังดีนะฮะบางทีก็พูดเทียบเคียงถึงส่วนที่สิบหกอันแบ่งแล้วสิบหกครั้งหมายความว่าของสิ่งหนึ่งมีอยู่สิบหกแล้วเอาเอ า, เอาส่วนหนึ่งนี้มาแบ่งออกเป็นสิบหกครั้ง แต่บุญบางอย่างเนี่ยไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหไม่ถึงหนึ่งในเซี่ยวของสิบหกของของของเซี่ยวเดียวนะฮะไม่ถึงหนึ่งในเซี่ยวของสิบหกส่วนเราเนะี่ยรับสั่งว่าการอภิวาสในท่านทั้งหลายผู้ใบตรงประเสริฐกว่าหมายความว่าการอภิวาสต่อท่านที่ อีกแหอุชุปติปันโนคือปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติเป็นนายนะฮะเป็นนายเหนือกิเลสปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติสมควรนี่เราจะเห็นว่า ปฏิปทาของพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ชี้มีความกตัญญูกตเวทีสูงมากมีลุงมีหลานมีเพื่อนเดินหลงทางจะพูดเองก็ยากเลยก็ชวนมาพฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบพูดเรื่องราวทั้งบวงให้สงสา ผู้เจ้าก็รับสั่งนิ่มๆ น, น, นะฮะไอ้คิดโ ด, โดยผลไม่ใช่ปฏิเสธเขาทั้งร้อยเปอร์เซ็ตแต่ต้องการให้เขาได้ทราบได้สนะว่าการตัดสินใจทำอะไรนั้นต้องนึกถึงประโยชน์สูงสุดให้ได้เรื่องเหล่านี้ทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วพยายามเลือกกระทำในสิ่งเหล่านั้น เพราะว่ามันมีความคุ้มค่าแล้วก็ได้กำไรถ้าทำอะไรไม่คุ้มค่าไม่พูดได้กำไรมันไม่คุ้มค่าก็ไม่ควรจะกระทำชีวิตของคนเรานั้นโอกาสที่จะทำความดีเป็นกิจลักษณะเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ายาก ที่จะไปติดใจรายละเอียดจุม๋มหยิบไม่มากสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอย่างน้อยอยู่ในชั้นสีนี่แหละมีใจที่อ่อนอ่อนโยนมีวาจาที่อ่อนหวานมีกิริยาการที่อ่อนน้อมก็เป็นบุญยิ่งแล้วท่านฟังทั้ ง, งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี